รุษาวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตาอารมศักิข์ขีนานิวต้องพิจารณาอย่างไรให้รู้สัก์แต่ว่ารู้ก็ห ม, มอ่าตั้งเบั น, บนเทาโอกาสวิ่าใหมา่นี้ยากนั้นให้เต็มที่เลยสบายสงสัยอะไรไม่ต้องเก่งใจ โ้อกาจชมตาคือประการแรกการที่เราบอกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นหนึ่งพุทธก้าวท่านบอกพยะเนี่ยนะครับ <g uss> แล้วก็สามารถอรรลุ อ, อ, ร, อรหันต์ได้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วขนทางที่ไปสู่ตรงนั้ น, นผมคิดว่าผมไม่ใช่ฟังปับทำได้เลย รเราไปทําที่ปลายเหตุเนี่ยผมคิดว่าคงไม่สามารถทำได้แล้วมันก็สิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นสภาวะมันเป็นประสบการณ์นะฮะในจิตในการที่เราจะมาบังคับให้จิตมันเห็นสักแล้วว่าเห็นเนี่ยบางเป็นกรรมที่ปลายเหตุหรือเปล่าครับมาทําที่ผลไม่ได้ทําที่ต้นเหตุในหนทางที่จะทําให้เห็นว่าเห็นสักแล้วว่าเห็นจริงๆไม่มีตัวตนคนสัตว์เราเขา ที่เวลาเราฟังเราสมัยก่อนเคยฟังแล้วก็คือคือไม่ได้ปามาศหลวงปู่หลวงพ่อต่างๆที่ท่านพูดนะฮะที่ว่าไม่มีตัวตนคนสัตว์เราเขาคือไม่มีนอกไม่มีในไม่มีไปไม่มาคือหลายท่านพูดผมรวมกันว่าเป็นทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ฟังแล้วมันก็แปลกๆนะครับไม่มีคนสัตว์เราเขาก็แล้วคิดแบบสามัญชนเนะี่ก็คือเอ้เราก็คนนะ อันกษัตริย์นี่เราเขาอันนี้อาจจะเข้าใจได้มีมีตัวกูกของกูกที่เคยฟังเออเออท่านพุทธา พ, พูดนะฮะท่านก็สอนไว้อันนี้ยังพอเข้าใจได้แต่ไม่มีตัวตนคนสัตว์เราเขามันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าอุทธรณเข้าถึงยากนะครับยังเว้นต้องถึงสภาวะนั้นถึงจะเห็นว่าสมมติวิมุตอะไรเนี่ยนะฮะมันคงเป็นสภาวะ อันนี้คําถามแรกคือว่าจะทําไงที่เราเห็นว่าอ่าเห็นสักแต่ว่าเห็นเห็นว่ามันบ้างเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คงเปะเด็นถามขอโอกากลับประเด็นถามหลวงตาว่าทําอย่างไรให้ให้คนเนี้ยถึงว่าเห็นเป็นเช่นนั้นได้ครับผลทางที่จะเห็นว่าสักแต่ว่าเห็นหรือว่าว่าเออมองให้มันเป็นความบ้างเปล่าไม่มีตัวตนคนสัตว์เราเขาอะไรเงี้ยคร ก็อย่างที่หมอว่าคือว่าไม่ใช่ทุกคนเนี่ยมันจะเข้าใจทันทีได้แต่อาจจะต้องค่อยๆอธิบายยกตัวอย่างหลายๆอย่างให้แจกแจงให้ค่อยๆค่อยๆเข้าใจมาแล้วแต่บุญวาสนาบารมีของแต่ละท่านที่สร้างสมมาไม่เท่ากันอย่างกรณีของของหมอเนี่ย เฉพาะตัวตัวหมอเนี่ยดูเหมือนหมอเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าใจตรงนี้ได้เลยคือมันเหมือนกับยังไงอะมันพิจความเข้าใจของหมอมันก็พิจกรณาเข้าใจอยู่นิดเดียวยนี่มันก็ต้องลองก่อนว่าอย่างนี้พอจะเข้าใจได้ไหม ว่าอย่างของหมอเนี่ยมาถึงก็ตรงที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันติดอยู่ในลูกโป่งแก้วแล้วมีตัวอยู่ตัวเราเนี่ยอยู่ในกลางลูกโป่งแก้วแล้วดิ้นลนหาหนทางที่จะออกจากลูกโป่งแก้วไปสู่ธรรมชาติที่ว่างเปล่าของจักรวาลก็คือทรทมที่เป็น ธรรมชาติของใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเปล่าของจักรวาลใจก็คือความว่างใจหรือจิตจิตตั้งเดิมแทๆ้ๆหรืออสุญญตาธาตุสุญญาตาธาตุสุญญาต า, า, ญญ า, ตาความว่างปณิธานธาตุหรือธรรมธาตุใจเนี่ยมันเป็นความว่างเหมือนกับเป็นความว่างในครอบแก้วแล้วก็ ไอ้ความว่างเนี่ยหมอค่อนทางจะทํำยังไงเราจึงจะพบความว่างนั้นมันจะมีตัวอยู่ในความว่างของในครอบแก้วเลยคือมีตัวของหมอเองที่รู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความว่างของใจและดิ้นรนค้นหาใจของตัวเองแต่แท้เราเนี่ยอยู่ในอยู่ในความว่างของใจแล้วล่ะแต่เราไปสร้างตัวเราไปปรุงแต่งตัวเราขึ้นมาว่ามีตัวมีตนอย่างอยู่กลางใจที่เป็นความว่างแล้วเราก็จะเอาตัวเราเนี่ย ไปหาความว่างแต่ความจริงเราอยู่ในความว่างนั้นแหละความปรุงแต่งเนี่ยมันปรุงแต่งอยู่ในความว่างแล้วเรากลับไม่รู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในความว่างของใจแล้วบริไกยความว่างของใจเนี่ยไมเหมือนกับครอบแก้วเป็นครอบแก้วเป็นไอ้ไอ้ลูกกลมแก้วเราอยู่ในนั้นเราไปสร้างตัวเราอยู่ในในความว่างของลูกแก้วแล้วเราก็จะหาออกไปหาความว่างที่นอกลูกแก้ว คือไปหาพระนิพพานซึ่งเป็นท่านว่างเป็นเจตตาท่านที่นอกลูกแก้วแต่ความจริงความว่างข้างในแก้วกับความว่างนอนกะลูกแก้วเนี่ยมันเป็นความว่างอันเดียวกันแต่มันถูกไอ้ไอลูกแก้วเนี่ยมันครอบไว้ของหมอเนี่ยมันมาบางเต็มทีแล้วมันจะสามารถระเบิดลูกแก้วเนี่ยได้อยู่แล้วทําอย่างไรล่ะไอ แก้วเนี่ยที่มันครอบใจเราเนี่ยถ้ามันระเบิดออกไปให้ความว่างของใจเนี่ยกลายเป็นความว่างอันเดียวกับธรรมชาติโดยที่ไม่มีตัวตนเราอยู่ในกลางกลางคขอบแก้วไอ้ความที่มีตัวตนอยู่ในกลางขอบแก้วเนี่ยมันก็ไปโตแค่ความคิดปรุงแต่งไว้แต่จริงๆตัวตนมันไม่มีเราดั้งเดิมเนี่ยมันคือสุญญาต า, าธาตุน่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ความที่เราปรุงแต่งเป็นตัวตนได้มันเป็นมันเอาขันห้ามาปรุงแต่ง และขันห้าเนี่ยมันมาจากการที่ผสมเสร็จแล้วจากสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่สเปิร์มเป็นธาตุดินไข่ของแม่เป็นธาตุน้ําแล้วก็ผสมกันเสร็จแล้วก็แม่ก็หายใจเอาลมหายใจเข้าไปเอาธาตุไฟเข้าไปความร้อนเข้าไปแล้วก็จนเป็นเป็นเลือดขึ้นมาหมอก็รู้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ไอวิญญาณเนี่ยมันเพิ่งจะลอยมาที่หลังดินน้ําลมไฟเนี่ยสี่ธาตุเนี่ย ผสมกันแล้วเป็นก้อนเลือดและวิญญาณเนี่ยธาตุวิญญาณเนี่ยธาตุวิญญาณนั่นเนี่คือเราเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาผสมเาะั้นไอ้ธาตุวิญญาณเนี่ยที่เป็นวิญญาณแทๆ้ๆที่เป็นความบริสุทธิ์ที่ไม่มีอวิชชาผสมเนี่ยพระองค์ตัดว่ามันเป็นอสลีหลังไม่มีรูปพันธสถานอะไรเลย ท่านเปรียบเหมือนกับว่ามันก็คือเป็นเป็นแบบเดียวกับความว่างของจักรวาลเป็นความว่างของจักรวาลเพราะลูกพันธสถานไม่มีไม่มีสว่างไม่มีมืดไม่มีฟองใสไม่มีเศร้าหมองมันไม่มีกิยาการใดๆเลยไม่มีความรู้สึกนึกคิอารมณ์อะไรเลยแต่พอวิญญาณอันนี้ซึ่งมันบวกกับอวิชาเนี่ยมันเข้ามาผสมกับไอ้ธาตุดินน้ำลมไฟมันเลยมีนามรูปอวิชาเป็นปใจใัจจัยเกิดสังขารคือผสมกันติด สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือวิญญาณมาเข้าผสมปฏิสตุตที่วิญญาณเข้ามาผสมวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนี่นามรูปเนี่ยเพื่อจะเกิดที่หลังจากการผสมเสร็จแล้วนามรูปก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์การรับรูเ้เนี่ยมันเพื่งจะมาเกิดเอาที่หลังแล้วก็มีรูปร่างขึ้นมาเสร็จแล้วเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดสลายญาตนาคืออายญาตนาทั้งหกคือเริ่มมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจ พอมีเจ็ดเหล่านี้ปุ๊บก็เริ่มมีการผัสสะคือมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการรู้สัมผัสการรู้อาการทางใจแล้วก็พเฮ้ยผัสสะจะมีเวทนาคือมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆแล้วมีเวทนาก็เลยมีตัณหาตัณหาก็เลยมีอุปทานอุปทานก็เลยมีพบมีชาติและมีการความตายเกิดขึ้นมีความทุกข์โศกเศร้าเสียใจกับแคนใจแล้วก็วนไปอีกแบบนี้เนี่ยเอาวิชาัยเป็นปัจจัย จะเห็นว่าไอตัวที่มันมีความคิดปรุงแป่งได้เนี่ยคือมันเป็นนามรูปที่มาเกิดขึ้นทีหลังจากที่วิวญญาณเนี่ยมาเข้าผสมกับธาตุดินธานตุน้ํธาตุไฟที่ธาตุดินก็คือสเปิร์มของพ่อธาตุน้ํำมาไข่ของแม่แล้วก็ลมหายใจเอาเข้าไปแล้วก็ธัตไฟแล้วก็แม่ก็กินซากศพวัวซากศพวายซากศพเป็ดซากศพหมูซากศพเป็ดกุ้งหอยปูปลากินซากพืชจักใจก็เป็นผสมตัวเราก็พองออกมา คือกินซากดินแล้วกินน้ําใหม่แม่ก็กินน้าเพิ่มขึ้นเอาไปเลี้ยงก้อนเลือดเนี่ยอวิญญาณเมื่ อ, อ, อกลมาผสมเรานั้นคือวิญญาณที่มันไม่มีมันมีไม่มีความปรุงแต่งใดๆแต่เนื่องจากว่ามันมีอวิชาผสมมันก็เลยเป็นวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์แต่และวิยาดั้งเดิมแท้ๆคือมันเป็นความไม่ปรุงแต่งอะไรเลยแต่ผสมเสร็จแล้วมันมีความปรุงแต่งปรุงแต่งคือมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้มีรูปร่างแล้วมีความรู้สึกนึคิดอารมณ์ได้ นันที่หมอเนี่ยเอาความรู้สึกมึกคิดอารมณ์เอ า, เ า, าความปรงแต่งมาเรามีตัวเรามีตัวเราแล้วเราจะเข้าถึงความที่บอกว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราจะเข้าถึงความจริงอันสูงสุดนั้นน่ะได้อย่างไรเรามีตัวเราแต่ความจริงอ่ะเราดั้งเดิมแท้ๆคือความจริงอันสูงสุดนั่นแหละคือวิญญาณที่มาที่ไม่ปรุงแต่ง ที่บริสุทธิ์ตั้งแต่แท้แล้วมามีความปรุงแต่งที่หลังบันั้นจึงบอกว่าใจแท้ๆวิญญาณแท้ๆตั้งดิมแท้ๆนี่เป็นความว่างอยู่แล้วและความว่างของใจเนี่ยมันเป็นอาสลีลังไม่มีรูปพันธุ์ั้นถามไม่มีไม่มีรูปรป่างไม่มีอะไรเลยและมันเป็นความว่างอันเดียวกับธรรมชาติจักรวาลแล้วแต่ที่มันมีครอบแก้วมาครอบใจเราไว้ให้ใจเรากับความว่างจักรวาลเป็นเด่มเดียวทำไม่ได้เพราะของหมอเนี่ย มันมีปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นตัวเราอมีเป็นตัวเป็นตัวเราเป็นตัวเราเอาความไอธรรมชาติของใจเนี่ยหรือธาตุดั้งเดิมเนี่ยแต่แท้เนี่ยมันปรุงเป็นตัวไม่ได้แต่เราเอาขันห้ามาปรุงคิดไปได้ว่าปรุงว่าเรามีตัวมีตัวเราเราจะหลือฝ้นจากตัวเราไปสู่เขจะทําความจริงนั้นได้ยังไงเราจะมีปัญญาเข้าถึงสูงสุดถึงความจริงยก็คือความจริงที่ว่าแท้จริงเน่ยตัวเราจริงๆมันไม่มีตัวแต่เราไปคิดปรุงแต่งไว้เราจริงๆมันคือความว่าง คือความไม่มีตัวตนและเป็นความว่างอเดียวกับธรรมชาติแต่ที่เราปรุงว่าเรามีตัวเรามีตัวเรามีตัวมันเอาขันห้ามาปรุงซ้อนมาปรุงซ้อนในจิตดั้งเดิมแท้ๆเลยเอาตัวเราเนี่ยไปลอยอยู่ในความว่างและเราก็เอาตัวเราเนี่ยไปผัดผัดไอ้ขอบแก้วที่ที่มันเป็นกระจกทุกด้านหาทางออกไม่ได้เหมือนถูกขังอยู่ในอะไรชักอย่างหนึ่งที่เราหาทางออกไม่ได้แล้วเราก็ค้นหามันว่าเราจะพบ พนิพาณได้อย่างไรเราจะถึงสัจจะทําความจริงที่ว่าทำไมครูอาจารย์บอกว่าไม่มีสัจไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาได้อย่างไงเราจะพบความจริงอันนี้ได้อย่างไงความจริงสูงสุดแท้จริงเนี่ยมันเพราะความหลงว่ามีตัวอยู่ในความว่างในใจที่ว่างเปล่าหรือในในธาตุในวิญญาณธาตุาที่ว่างเปล่ามันเลยมีครอบแก้วขึ้นมาอาวิชาไอ้ครอบแก้วนี่คืออวิชาเวลาเราตายแล้วเนี่ยถ้าอาวิชาไม่ดับครอบแก้วไม่ดับมันก็ไปทั้งครอบแก้วเนี่ยเนีมันก็ไปครอบแก้วเป็นตัวเนี่ย เป็นตัวที่โปร่งแสงไปแล้วไปถูกก็จับเอาไปลงโทษดีแต่มันจะดับดับได้ไงครอบแก้วจะดับอวิชชาจะดับก็ดับความรู้สึกว่ามีตัวเนี่ยมีตัวอยู่ในในใจหรือว่าจิตตัดด้งเดิมแท้ๆซึ่งมันเป็นเรามาจากความว่างแต่เรากลับเอาเราเปไปเป็นตัวซะมาเลยมีตัวเราอยู่ในความว่างแล้วลมันก็เกิดสร้างครอบแก้วคืออวิชชามาครอบเราเองแล้วเราก็เล่นอยู่กับความคิดของเราเองคือเราสร้างความคิดเป็นตัว เอาความคิดมาสราเป็นตัวแล้วเราก็หลงจะทำลายตัวเราให้หายไปให้กลับไปสู่ความสิน้นความเป็นตัวตนสัตบุคคลเราเขาแต่ไอ้ที่เราคิดเนี่ยเราสร้างมาเนี่ยเราก็เอาความคิดมาสรางเป็นตัวแล้วเราก็หาทางจะทำลายตัวเราให้หายไปไม่ให้เป็นสัตบุคคลตัวตนเราเขาเหมือนอย่างที่คุณพ่อแม่ครอาจารย์พูดมันจะเหมือนอย่างนี้เลยหมอเหมือนกับที่เนี่ยเดินไปเวลากลางวันเนี่ย ทุกคนสามารถเดินไปได้ทุกที่เลยแต่พอมืดขึ้นมาเนี่ยบางที่ไม่กล้าไปเพราะเพราะอะไรกลางวันไปได้แต่กลางคืนไปไม่ได้เพราะอะไรกลัวผีกลัวผีผีมันมีมากับความมืดแล้ะจริงๆเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับความมืดหรือความสว่างอ่ะมันก็อยู่ในที่เดียวกันนี่แนะ่ แต่พอดีมันมืดเข้ามาและความมืดมก็ไม่มีอยู่จริงเพราะว่าพระอาทิตย์ไม่ได้หายไปเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยโลกมันหมุนมาเอาประเทศไทยหันมาทางฝั่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันไม่ได้หายไปมันไม่ได้เป็นความมืดจริงๆแต่เป็นเงาเงามันมาอยู่ฝั่งนี้แต่พอมันมืดพวกผีมาความมีตัวตนเนี่ยหมอจะเห็นว่าเดิมความไม่มีตัวตนของผีมาฟังให้ดีนะเดิมความตัวตนของผีไม่มี เดิมตัวเราไม่มีตัวตนเป็นจิตตั้งแต่แส้งวิญญาณวิสุทแท้ตัวตนไม่มีตัวตนเพิ่มจะมีมาตอนที่มีเหตุปัจจัยให้เราคิดปรุงแต่งว่ามีผีมีตัวตนอ่ะพอมันมีตัวตนขึ้นมาแล้วก็จะคิดทำลายตัวตนคิดทำลายผีทำยังไงหายกลัวผีทำไงหายกลัวผีมาถามกันทีเดีย เอาหมอมหมอผีมาปราบผีเอาอะไรเอาขอกรถาปราบผีแต่ไอีผีมันเกิดตัวผีนะเกิดจากความคิดปรุงแตง่งตัวผีไม่มีอยู่จริงเหมือนกันหมอตัวตนของเราไม่มีอยู่จริงแต่เราเอาความคิดมาปรุงแต่งว่ามีตัวตนทำยังไงอ่ะเราจึงจะเข้าใจกลับไปถูกความจริงว่าผีมันไม่มี ผีมันไม่มีหรอกพอผีไม่มีปุ๊บหายกลัวแต่เราไปปรุงไว้เป็นผีเราก็เลยกลัวทำไงจะปรุงกลับไปวะผีมันไม่มีตัวมไม่มีแต่จริงเราไม่มีดังนั้นเพียงแต่หมอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเมืม่อเราเปนความไม่มีตัวตนทุกอย่างที่มันมีความรู้สึกในคิดในใจของหมอในทุกขณาปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีผู้มาลองรับ เพราะเราเป็นความไม่มีตัวตนเนี่ยเราไม่เอาเอะความคิดความนึกความรู้สึกความปรุงแต่งการรับรู้ทางตาหูจีบหูลิ้นกาใจนี่ที่มันปรากฏความเคลื่อนไหวอยู่ในใจเราแฟร์แฟร์แฟแฟฟฟเป็นความรู้สึกควาิดอารมณ์เนี่เพราะเรารู้อยู่ว่าเราคิดใช้ความคิดมันจึงมีตัวได้ความจริงตัวมันไม่มีมีแต่ความคิดเมื่อเรารู้ว่าความจริงตัวเราจริงๆมันไม่มีมีแต่ความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยทุกความคิดทุกกิริยาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เราเนี่ยเห็นมันเป็นแต่สังขารปรุงแต่งแต่เราคือความไม่ปรุงแต่งหรือภาษาเขาเรียกว่าวิสังขารก็คงแต่ปล่อยให้สิ่งที่ปรุงแต่งมันปรุงแต่งอยู่ทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แต่เราเนี่ยเราไม่มีจริงๆแท้จริงเราคือความไม่ได้ไม่สังขารไม่มีตัวตนไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยไม่มีใครเข้าไปรองรับทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั้นคงปล่อยให้มีความคิดความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเราเกิดๆดับ เกิเองดับเองตกิเองดับเองเกิดเองดับเองของเขาตามตรงคนนี้แต่ไร้ผู้เสวยไร้ผู้ลองรับไร้ผู้เข้าไปยึดมันคือมันเพราะตัวเราไม่มีเราเป็นสภาพที่ไม่มีตัวตนเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุที่ลอยมาเป็นวิญญาณธาตุที่ดั้งเดิมแท้แต่เขาไม่เรียกวิญญาณธาตุเพราะว่าเรียกว่าวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณพราะมันเป็นวิญญาณที่ไปผสมกับอวิชชามันบวกอวิชชาพอสิ้นความหลงแล้วมันก็กลายเป็นวิญญาณธาตุคือ เป็นธาตุที่ไม่มีตัวตนเป็นสุญญต า, าธาตุอิปทานธาตุลูกตามมาปูรเรียกว่าธรรมธาตุถ้าเราเข้าใจของเราได้ใจอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเอา้าก็เราเปนะ็น่ะเราไม่มีตัวตนแล้วเราจะคิดไปทํำลายหาตัวตนทําไมก็เราไม่มีตัวตนนี่ตั้งแต่แรกแล้วแล้วเราจะไปคิดทําลายความเป็นตัวตนของเราเพื่อไปสู่ความไม่มีตัวตนอย่างไงเอาอย่างนั้นเราก็คือความไม่มีตัวตนเราก็กลับคือไปสู่ความไม่มีตัวตน ถ้าอย่างนี้ในปัจจุบันนี้เลยกลับคืนไปถูกควาไม่มี ต, ร ต, รตรัวตนแล้วทุกอย่างที่มันมีกิริยาการเนี่ยมันเพิ่งจะมาประสมเสร็จในในใ น, ในชาตินี้คือมีขนันธ์หน้ามีนามรูปเกิดขึ้นเมื่อเอาวิชาเป็นปจัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปจัจจัยเกิดนามรูปไอนามรูปเนี่ยความร um ู้สึกนึกคิดอารมณ์พวกจะมีที่หลังเลยก็ปล่อยมันมีงันไปที่หลังมันเกิดขึ้นมาที่หลังก็ปล่อยมันมีไปแต่เรามาก่อดแล้วเราเป็นวิญญาณที่ดั้งเดิมแต่แจเป็นวิญญาณาที่ เราก็คงเป็นความไม่มีตัวตนอยู่นั้นเองแต่ไอิกริยาการที่เกิดขึ้นในใจเราเกิดเกิดแับๆไม่มีใครเปิดเสวยไม่มีใครรองรับแค่นั้นเนี่ยใจมันก็ถึงตึ้งธรรมชาติของใจแท้ๆดังเดิมแท้หรือจิตดังเดิมแแท้ซึ่งเป็นความไม่มีอะไรเลยเป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับจักรวาลแต่ภายในความว่างเปล่าของใจก็ยังมีความรู้สึกนึคิดอารมณ์ของนามนามรูปอยู่นั่นเองที่มันเป็นยังเป็นขันท่าที่มาเกิดเพราภูมิใหม่ในชาตินี้ไม่แตก แต่ความรู้สึกเกมื่ิจอารมณ์เนี่ยมันก็เกิดดับอยู่ในใจที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวใจไม่มีใครดังนัน้นนอกจากความรู้สึกเกมื่ิจอารมณ์ในใจหมอแล้วเนี่ยพื้นเบื้องหลังแท้ๆเนี่ยหรือความไม่มี อ, อะไรแต่ความรู้สึกเมื่ิจอารมณ์ก็เกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรของใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจิตใจของเราเนี่ยมีแต่ความรู้สึกเมื่ิจอารมณ์แต่ฐานใหญ่จริงๆของใจเนี่ยที่ ให้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดเกิดดบดำนั่นเองคืความว่าเช่นเดียวกับความว่างจักรวาลถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ไอ้ครอบแก้วที่มันมาพอหุ่งความว่างภายในใจเรากับข้างนอกเนี่ยมันก็ระเบิดออกคืออวิชามันก็ระเบิดออกตายแล้วความว่างของใจมันเปดีใจมันก็เลยมันยังไม่ตายพอเอวิชามันติ้นกันแน่ใจมันไปเลยนะเพราะว่าอันหนึ่งเดียวกับธรรมชาตของจักรวาลความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดเกิดดับำดำในใจที่ว่างเล่าในใจที่มีมีตรวตน นั้นไอ้ไอความรู้สึกในะึกคิดอารมณ์ที่เป็นน้ํารูปรนเนี่ยหรือคันท่าเนี่ยมันก็คงมีอยู่เพราะมันยังไม่แตกตั้แต่ตัวใจไม่มีไม่มีอะไรปรากฏหรือหลุงปู่เทเสถันใช้คําอธิบายอย่างหลวงปู่เงเสีันท่านว่าอะไรก็ตามที่มันมีความรู้สึกในึกคิดอารมณ์ที่มันมีกิริยาการแสดงปรกากฏได้นะถ้าเรียกว่าจิตปรุงแตง่งเรียกว่า ส่วนใจเนี่ยใจเนี่ยไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ใจใจเนี่ยมีสภาพรู้แต่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิริยาการใจใจไม่อาจจะไม่อาจจะเอาอายตนาใดๆมารู้ใจได้ไม่อาจจะเอาตาหูจมูกอินกายใจมารูจใจได้ใจเนี่ยมีสภาพรู้แต่มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยและไม่มีใครรู้ใจได้ แต่ใจเนี่ยมันกลับไปรู้ไอ้กิริยาอาการของจิตทั้งหมดที่แสดงที่ปรุงแตง่งที่มีการกระเพื่อมที่ไหวตัวที่เอาอาการทุกอาการมาบอกผู้อื่นได้ว่าตอนนี้ใจสบายตอนนี้ใจไม่สบายตอนนี้ใจแน่ๆแนๆตอนนี้ใจอืดๆตอนนี้ใจว่างๆแต่แอนที่เอาเอาการมาบอกได้ทั้งหมดแหละมันเป็นตัมพุเทศธเรียกว่าจิตทั้งหมดส่วนใจเนี่ยไปแต่รู้ไม่มีตัวใจไม่มีอาการใดๆไม่ปรากฏอาการใดๆ ผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานเธอพบใจที่ไม่ปรากฏอาการใดๆ น, น, นั่นแหละพบธรรมถึงใจถึงพระนิพพานอันของหมอเนี่ยแทบจะฟังแล้วแทบจะพิจารณาตามแทบจะเข้าใจตรงนี้ไปได้เลยแต่มันไปเสียท่าตองที่ว่าคือมันเอาเราในเป็ น, เ ป, นเป็นตัวคิดสงสัยเสียแทน เราไม่ได้กลายไปเป็นใจหรือเป็นสุญญตาธาตุหรือวิญญาณธาตุที่ไม่ไม่มีอาการแต่หมอกําลังเอาตัวหมอเป็นตัวกิดกิดกิ ด, ดสงสัยคิ ด, คดอิอนน่ฉาคนนั้นกลายเป็นเป็นตัวคิดมันเป็นตัวนามรูปที่มันเป็นตัวผสมเสร็จคือจับคนลายผิดตัวเรียกว่าจับแพะเราไปจับตัวตูวคิดสงสัย จะสงสัยสงสัยสงสัยสงสัยสงสัยแต่เราเอาสงสัยนั่นเป็นตัวเราตัวที่กำลังสงสัยตอนนี้เราเอาตัวสงสัยเป็นตัวเราคือเราเตัวที่จิตปรุงแต่งนั้เป็นเราแต่เราไม่เปลี่ยนใจสักทีเราเอาจิตที่มันสงสัยสงสัยสงสัยอันไหนที่มันแสดงกิริยาการได้มันเป็นจิตหมดมันไม่ใช่ตัวเราเป็นนามลูนามลูปที่ผสมเราผสมเสร็จแล้วในชาตินี้ในแต่ละชาติที่มันผสมกันทีหลังเรามันคือ วิญญาณนั่นวิญญาณที่มาประสมซึ่งวิญญาณแท้ๆมันไม่มีไม่มีรูปร่างหรือก็เรียกว่าจาิตตั้งเดิมแท้ๆหรือเรียกว่าใจมันไม่มีรูปร่างไม่มีกายาการไรแต่หมกอกำลังเขาตัวสงสัยสงสัยสงสัยสงสัยเป็นตัวเราซะนะมันก็เลยตรงเนี้ยมันเลยเข้าไปถึงใจที่ไม่ไม่สามารถสงสัยได้แต่ใจมันรู้ว่ามันเรากําลังสงสัยแต่เราสงสัยเนี่ยมันเป็นขนันธ์หน้า ไม่ใช่เราแต่ใจมันรู้ว่าเรากําลังสงสัยอยู่แต่ไอความคิดติดสงสัยสงสัยสงสัย breaker. มันกลับเป็นขันธ์ห้ามันเป็นกิริยาอาการจิตจีใจรู้แต่เราไปเรากลับเป็นตัวคนตรงกันข้ามคือเราเป็นใจไม่ได้เป็นจิตทีสงสัยดนั <pierwszy> ้นเราไม่ไปดับตัวเราที่สงสัยนะแต่เรากลับไปเห็นว่าไอตัวที่สงสัยไม่ใช่ตัวเราเราเข้าใจซะแล้อ๋อไอตัวทีว่กําลังสงสัยมันไม่ใช่ตัวเราไปแล้วตอนนี้เราเข้าใจผิดตัวเราก็คงปล่อยมันคิดสงสัยอยู่นล้ว มันติดตองแต่เราไม่เอาตัวสงสัยเป็นตัวเราเสยนะเราก็เลยการปิดใจที่ไม่ปรุงแต่งแต่ไอตัวขัดหน้าหรือไอตัวจิตปรุงแต่งมันก็ยังปรุงแต่งสงสัยสงสัยปรุงแต่งลงไปก่อนที่ไมันมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนน่ะนั่นคือใจไม่ใช่คือจิตที่ปรุงแต่งเราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เราก็คือใจที่มันไม่เกิดปรากฏกิยาการใด้แล้วมันจะเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้ไง คือมันไม่มีอะไรสักอย่างเดียวมันจริงที่ท่านว่าเราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เราเ ป, เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งอะไรเลยไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยคิดยังไม่ได้เลยเพราะไอ้ที่คิดมันเป็นจิตที่ปรุงแต่งหมดที่หลวงปู่เทศท่านว่าหรือเป็นนามะขันวันเป็นลูกขันนามะขันเชื่อมมาผสมเป็นหลังนั้นเพียงแต่ว่าเราเห็นด้วยใจของเราจริงๆ หรือเรารู้สึกด้วยใจของเราจริงว่าไอ้ตัวที่กำลังคิดคิดคิดคิดคิดตึกตองติตองติตองสงสัยสงสัยสงสัยไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปเราไม่มีตัวมีแต่ไอ้ตัวที่คิดไม่ใช่ตัวเราก็ปล่อยมันคิดไปแล้วจะมันก็ไม่ใช่ตัวเราใจเราก็กลายเป็นใจที่วิญญาเราไม่ใช่าริงไห ถ้าทุกคนเข้าใจตรงนี้ได้ก็เข้าใจได้เลย ม, มันไรื่อีเงื่อนไขอะไรแต่ไม่เข้าใจก็ก็ต้องซักแล้วก็หาอะไรยกตัวอย่างอย่างนู้นอย่างนี้ก็อาจจะเข้าใจได้แล้วอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วหลายหลาอย่างหลายๆประการนั้นยังไม่เข้าใจก็ต้องถอยลงมาอีกต่ อ, อบันไดคือขึ้นบันไดสูงให้แล้วลลก็ลดบันไดน ล, นลงมาอีกลดบันไดบาทีละขั้นอ่าลงมาอีก ลงมาอีกลงมาอีกลงมาอีกลงมาก็ยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็พยายามลงมาอีกลงมาอีกจนกระทั่งอพุโทอุโทอภโทอภโทอภโทก็ลงมาให้เรื่อยๆเนี่ยตาก็ลงจนติดดินเนี่ยไม่เชื่อก็ลงจนติดดินเนี่ยหมออยู่เจ็ดวันเนี่ยมาถ้าไม่เข้าใจยอดตรงนี้แล้วเนี่ยแต่ลองยอดก่อนลองเข้าใจตรงตรงนี้เลยตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้ตรงแหนนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าตรงนี้ยังไม่เข้าใจก็จะลดลงมาให้ลดลงมาให้แต่ละคนเนี่ยเราก็ลดมาให้ รถมารถมารถมารถมาอพุทโธพุทโธพุทโธทรถมาแลมาไปสวดมนต์พระไปสวดมนต์พระวรถลงมาเรื่อยๆรถมาเรื่อยๆรถมันจะติดดินเนี่ยยอมยอมที่จะรถลงมาจนติดดินเนี่ยก็ค่อยค่อยปรับให้ขึ้นไปอีกขึ้นอีกขึ้นออาพิจารณนะพุทโธพุทโธพุทโธใจสงบแล้วก็ค่อยคพิจารณกายแยกแยว่ากายไม่ใช่ตัวตนอพินารกายร่างกายไม่ใช่ตัวตนเสร็จก็ไปพิจารณ์จิตไม่ใช่ตัวตน แล planet, ้วจิตไม่ใช่ตัวตนมันก็กลับไปอย่างเงี้ยย้อนกลับขึ้นไปร่างกายก็ไม่ใช่ตัวตนหาตัวตนไม่มีแล้วจิตก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่เที่ยงก็จนถึงอ้าวตัวตนจริงๆไม่มีนี่หว่าแต่มันย้อนต้นขึ้นไปพมไม่ได้ปุ๊บเราก็ไปหัวมาไปปลายมาพอปลายไม่ได้เราก็ย้อนต้นมาอย่างเนี้ยแล้วก็มาสงบใจเพราะสงบใจเสร็จก็พิจารณาร่างกายให้เห็นว่าร่างกายต้องเน่าเปื่อยผุพังหาตัวเหรอหาตัวไม่เจอ ไปเผาเป็นกิเท่าทุลีไปหมดตัวตนไม่มีผมสิ้นร่างกายเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็เลยเหลือแต่ความว่างเปล่าก็เลยจิตเกิดดับในความว่างเปล่าแล้วเห็นจิตเกิดเกิดดับเกิดดับอยู่ในความว่างเปล่าหาตัวตนของจิตไม่มีอ่าสุดท้ายแจ้จริงเราไม่มีตัวตนหรออ่มามันก็เลยบรรลุสู่ความไม่มีตัวตนก็สิ้นผู้หิบบัานถึงบ้านกับู้วันนี้ผ่านไปสิ้นผู้หยิบนะบ้านก็ กสิ้นกิเลสไงสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสแล้วก็รุ้นิพพานก็เพราะว่าอ้าวเราไม่มีตัวตนเหรอก็เลยสิ้นภูยิบบ้านถือบ้านเพราะตัวตนไม่มีเราจะยิบอะไรได้หมอจะเห็นว่ามันไต่มาตั้งแต่ต้นมาเนี่ยมันก็เพื่ออะไรสิ้นความหลงว่ามีตัวตนอ้าวเราไม่มีตัวตนเหรอเลยไปรู้อรหันต์ไต่มาตั้งแต่ว่าอ้าวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธุทโธพุทโธุทโธุทโธพุทโให้จิตสงบนะ พอจิตสงบแล้วก็พิจารณาร่างกายเห็นว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสังขารร่างกายเนี่ยรูปร่างที่เป็นมันไอขันบงังธรรมคือรูปร่างตนโทษที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นตัวเป็นต น, ตนตหมอบอกว่านี่ก็ตัวเรานั่งอยู่ในตนตนความรู้อาหารเนี่ยคือคือเราไม่มีตัวเว้ยเราไม่มีตัวฮะแค่ตรงนี้เองทําลายความโงกตรงนี้เองจึงต้องว่าหากรรมวิธีสารพัดอ่ะสงบใจแล้วทําลายความรู้สึ ก, ส ว, สกว่าเป็นตัว หรือว่าค่อควพินาศร่างกายว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเน่าเปื่อยปุพังเอาไปเข้าเตาเผาตายแล้วเขาก็เอาไปใส่ไปใส่เตาที่เมนอ่ะเผาเสร็จแล้วก็ไปขี้เถ้าก็มาโกยอไปแล้วไปเอาไปทิ้งหมดเอาไปร้องคายหมดเอาหาตัวเราไม่มีอ่ะตัวเราไม่มีเลยเลยกลายเป็นความว่างเปล่าตัว น, นี้ก็เลยมีจิตยังมีจิตอีกจิตคือมีความรู้สึกมีคิดอารมณ์พอตัวเรามันว่างเปล่าไปแล้วมันก็เลยจิตมันเลยเกิดดับอยู่ในในความว่างเปล่า เห็นจิตเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเหมือนแสงหิ่งห้อยหรือเหมือนดังฟ้าแลบหรือเหมือนขับไอ่ฝนที่มันตกมาโดนมาโดนพื้นน้ำข้างล่างแล้วเกิดเป็นตอมน้ําแตกโปแตกโปแตกโปแตกโปแตกโปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปอ้าวจิตก็ไม่มีตัวตนอีกอ้าวแล้วตัวตนเราอ่ะอ้าวตัวตนเราไม่มีไว้โอ้เราไม่มีตัวตนเหรอเนี่ยเลยทิ้งผู้ยิดบ้านถือบ้านบรรลุอรหันตไปเลย อย่างนี้ก็กมีนี่คือขึ้นแบบมาตรฐานเลยเบสิกเรียงลำดับเลยเพื่อไปสู่เลยความเป็นตัวตนของเราไม่มีอยู่จริงกับที่หลวงตาพยายามอธิบายเมื่อกี้ที่ว่าเราแท้จริงคือธาตุรู้หรือนิพพานธาตุหรือสุญญตาธาตุหรือวิญญาณธาตุจิตตั้งเดิมแตแ ท, ท, ท้เป็นความไม่มีตัวตนไม่มรูปร่างไม่มีอะไรเลย เราคงปล่อยให้ไอความรู้สึกน่กคิดอารอมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเกิดเกิดๆๆดับดับเกิดเกิดดับดับโดยไม่มีผู้ไปรองรับแค่นั้นเนี่มันก็ไม่มีใครเสวยไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าสิ้นผู้ยึดมั่นถือมกกัมม่นก็ไปรู้พุทธิพานไปเหมือนกันอันจะออกช่องไหนอ่ะแล้วแต่ที่จะพยายามออกให้จะออกช่งไหนก็ได้อัน พอแบ่ครูบาอาจารย์แคอย่างเนี้ยเราก็เห็นว่าท่านสีู้ผุเสวยแล้วตั้งแต่จริงบอกว่าเอ๊ะล้งปู้สิ้นผูุ้เสวยแล้วนี่ใช้คําราชาบเสือเสีะคําราชาศัพท์เขาเรียกสิ้นผู้กินอาการสิ้นผู้กินอาการคือสิ้นผู้ยึดบั่นถือมั่นผู้สิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นก็สิ้นกิเลสสิ้นทุกเพราะว่าถ้ามีผู้ยึดมั่นถือมั่นก็ยังมีกิเลสและมีทุกสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นก็สิ้นกิเลสสิ้นทุก ผู้ที่ส้นกิเลสแล้วสิ้นทุกข์แล้วเขาเรียกว่าพระอระหรันต์เพราะพ่อแม่สิ้นผู้สเสวยแล้วตลอดใช่ก็คือสิ้นผู้สเสวยอันเดียวอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราสิน้นน้ำพุธาก็เหมือนการสิ้นผู้สเวสวยสิ้นผู้สเสวยไม่มีผู้รองรับไม่มีผู้ยึด บ, บ้านถือบ้านแค่นั้นเองอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างน้ำพุธาเนี่ยคล้ายๆกับเนี้ย ร่างกายที่มีอยู่ก็เหมือนกับไอ้เครื่องโปรเจคเตอร์ไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่ยังไม่ดับเนี่ยที่เป็นนามขันเนี่ยก็เหมือนกับไอ้ไอ้ข้อมูลที่ใส่ไปในเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วก็ฉายใส่จอเป็นหนังบ้างเป็นสารคดีบ้างคนทั้งหลายเนี่ยมันจะฉายใส่จอคือร่างกายเหมือนเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ projector. ไอ้ส่วนความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเหมือนกับมันไอ้ไอ้คอมพิวเตอร์ที่มันเอามาเสียบในในเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วฉายใส่จอ มันก็เลยพอมันฉายไปก็เลยไปป ร, ประกอบจอรับภาพมันก็เลยรู้ว่าฉายเรื่องอะไรส า, ารคดีเรื่องอะไรนี่คือคนปฏิุชนทั่วไปเป็นอย่างนี้คือมีจอรับภาพคือมีผู้สเสวยมีความรู้สึกมีคิดอารมณ์อะไรแล้วก็จะมีผู้สำรวยมีผู้ไปลองรับไปยึดว่านี่คือเราคือตัวเราคือของเราเหมือนกับที่หมอกําลังเอาเอาตัวผู้สงสัยเนี่ยเป็นตัวเราแต่หมอไม่ได้เอาตัวที่ที่เป็นจิตตั้งเดิมแท้ ค, คือเราแต่ไปเอาไว้ตัวที่ผสมเสร็จแล้วขันอ้าเนี่ยมาเป็นตัวเรา คือไอตัวที่มันสงสัยได้เป็นตัวเรามันเลยกลายเป็นคนละตัวไปพอเราไปเอาเป็นคนละตัวเราจับเป็นตัวมันเลยมีจอรองรับเพราะว่ามันเอาไอตัวที่ปรุงแต่งอน่ยที่ไม่ได้เป็นความว่างมาเป็นตัวเสร็แล้วมันเลยมีจอรองรับตอนนี้เวลามีความรู้สึกมักนคิดอารมณ์มันก็นี่เราเราเราเราไอ้ตัวเราเราเราที่ไปรองรับไปของตึวนีน้คิดอารมณ์นี่คือจอรับภาพก็เลยรู้ว่าเนี่ยกำลังคิดเรื่องอะไรมีอารมณ์อย่างไรพราแม่ครูบาอาจารย์ก็เลยจับได้ว่าเราคิดอะไรอยู่มีอารมณ์อะไรอยู่แต่ดูของ ลองปูทาแล้วไม่จับไม่ได้เลยเพราะอะไรท่านฉายขึ้นฟ้าคิดดูสิฉายหนังขึ้นฟ้าจะไปเห็นว่าฉายเรื่องอะไรฉายหนังขึ้นฟ้าจะไปดูมองออกไงว่าฉายฉายเรื่องอะไรไมนต้องฉายใส่จอจะมองออกว่ามันฉายเรื่องอะไรไอ้ที่ฉ า, า, ายใส่จอคือมันสายฉายใส่จอเนี่ยมันมีผู้สเสวยผู้รองรับผู้ยึดมั่นถือมั่นขึ้นไปยึดผิดตัวมันไอตัวขันหน้ามาเป็นตัวเราแต่ถ้ามันเอาไ้ตัวเราไปความเป็นความว่างเปล่าเหมือนแตงจักรวาลแล้วเนี่ย ตอนนี้ไอความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของขันห้าเนี่ยมันก็เลยแสดงอยู่ในความว่างเปล่าก็คือเหมือนกับฉายโปรเจคเตอร์เนี่ยไอขายเชื่องขายโปรจคเตอรขึ้นฟ้าเนี่ยและฉายขึ้นฟ้าจะฉายฉายหนังขึ้นฟ้าฉายภาพยนตร์ขึ้นฟ้าเนี่ยเราจะไปมองออกได้ไงว่ามันฉายเรื่องอะไรอ่ะแต่ไม่ต้องฉายใส่จอที่จะมองออกว่ามันเรื่องอะไรดังนั้นไอพวกเราทั้งหลายเนี่ยมันไปไ ป, ไปจับไอขันห้าจับไอความรู้สึกนึกิดอารมณ์ที่เรากําลั ง, งสงสัยเรากําลังนึกเรากำลังวิหารุ่นทางากําลังดิ้นรน ไอ้ตัวนี้มันเป็นขันห้ามันเป็นนามขันที่มันเกิดผสมปุงแต่งในชาตินี้มันเลยไม่ไม่เป็นตัวที่ว่างเปล่าแต่ถ้าเราในกายเป็นตัวที่ว่างเปล่าไปแล้วเป็นตัวที่ไม่มีอาการ ใ, ใดๆเราก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเป็นอากาศเป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่า ไ, ไอ้ความรู้สึกนึกคอารมณ์มันก็เลยเหมือนในเครื่องหนังที่มันฉายออกจากไอ้โปรเจคเตอร์เครื่องฉายอะ่ะมันก็เลยฉายใส่ฟ้าเพราะว่าเราไม่มีตัวรองรับซะแล้วเรากลายเป็นกลายเป็นความไม่มีตัวตนซะแล้วจากนั้นเวลามันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างไงมันก็ไม่มีใครรองรับ เพรเราคือความไม่มีตัวตนทั้งนั้นมันก็เลยไม่มีใครรองรับก็ได้แต่ขันห้าคิดไปทํางานไปสารพัดแต่ความเป็นเราไม่มีมันก็เลยทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดขึ้นมันก็เลยเหมือนหนังฉายใส่บนฟฟ้ามองไม่ออกว่ามันฉายอะไรพอถึงเวลาตายไอ้เครื่องโปรเจคเตอร์ไอ้เครื่องฉายคือร่างกายก็แตกตับไอ้ข้อมูลน่ยที่เอาใส่เครื่องโปรเจคเตอร์ไอ้หนังเน่ยที่มันฉายเนี่ยมันก็เลยดับไปด้วยเพราะว่าไอ้เครื่องมันดับแล้วโปรเจคเตอร์ก็ดับไอ้หนังคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันมันใส่เครื่องโปรเจคเตอร์มันก็ดับไป เราว่าเรากลายไปเป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าแล้วมันก็เลยเหลือแต่ท้องฟ้าที่ว่างเปล่าแต่ไอ้ไอ้หนังที่ฉายกับไอ้เครื่องโปรเจคเตอร์คือร่างกายไอ้ความรู้สึกในกิจล้มก็ดับไปไเลยเหลือแต่ท้องฟ้าที่ว่างเปล่าคือใจที่ว่างเปล่านี่คือธรรมชาติของมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรายังไม่เป็นใจที่ว่างเปล่ามันก็จะมีจอรับภาพตลอดเวลากูบาอาจารย์ก็จับได้ว่าเรามีความรู้สึกมีคิดอารมณ์อะไรเพราะว่าเรามีจอรับภาพแั้นแล้วมันร้สุดก็คือไอ้เจ้าการในเวรมันก็มาจับได้ไร้ายสก็คือ ยมาทูดก็มาจับเอาไปได้เพราะมันยังไม่ได้เป็นความว่างมันก็มาจับเอาไปได้อหมอตรงรงสังยอะไรสักต่อไม่ทราบว่าตอบเนี่ยจะตรงคําถามหรือเปล่าคือคิดว่าพอเข้าใจสภาวะ น, ะนั้นตอกตาครับแต่ว่ามันทําไงถึงกลับไปว่าคือเข้าใจว่าแม้กระทั่ง มันในในตอนนั้นไม่เข้าใจนะฮะว่าแม้แต่เราสมมติเราเดินถูกกรมแล้วเราเดินเนี่ยไอตัวรู้ว่าเดินเนี่ยอันนั้นเป็นผมไม่ทราบถูกผิดนะแต่บมันมีความเข้าใจแต่ว่าอันนั้นจะตัวอวิชาตัวแม่เลยที่ทําให้เรามีตัวตัวตัวกูของกูงกนเนี่ยแหล ะ, ะแต่พอมันตรงนั้นเน่ยมันไม่มี Mueller, <encanta. S 1> ก็เลยรู้ว่าไออตัวที่แม้แต่ตัวที่รู้เราบอกว่าเรารู้รู้รู้เนี่ยอันนี้เป็นตัวทําเรายึดว่ามีตัวตัวกู่ด้วยซ้ำเลยฮะอันนี้ถึงว่า เราทำไงถึงจะกลับไปสู่ตรงตรงนั้นได้ว่าเอแม้แต่ตัวรู้ที่เราคิดว่ารู้รนี้รู้นั่นเนี่ยมันยังเป็นตัวตัวหัวหน้าผู้ร้ายนะ ค, คิดว่าเป็นหัวหน้าผู้ร้ายเลยมันเข้าใจว่าอย่างนั้นเลยว่าทําให้เราเป็น ม, มีมีตัวกูกของกูขึ้นมาเนี่ยฮรับแถ้าทําไงถึงจะละกลับไปสู่อย่างนั้นได้ครับว่ามันจอที่หลวงตาบอกว่ามันก็อิสระจากตัวกูกของกูแล้วก็แม้แต่ความคิด กลุ่แต่งทั้งหลายก็ก็ไม่ไมันก็ไม่เกี่ยวกับเราแต่ทําไงถึงจะไปก้า <c oughs> ไปสู่อย่างนั้นนะครับว่าว่าจะละเ อ, เ อ, เอตัวตัวรู้หรือว่าตั ว, ตวกูงกูเนี่ยครับเราต้องเห็นก่อนว่ากรณีอย่างที่หมอพูดเนี่ยมันต้องเป็นคนที่เห็นแล้วว่ามันมีมันมีตัวรู้คือมันถึงจะละได้ไงมันต้องเห็นก่อนว่ามีตัวรู้ถ้าคนไหนยังไม่เห็นว่ามันมีตัวรู้อยู่เนี่ยเขาจะละไม่ได้ เพราะนั้นเมื่อเราเห็นว่ามันมีตัวรู้แล้วหมอก็บอกว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยมันเป็นอวิชาตัวใหญ่ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันบางธรรมเราก็ให้เห็นว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยมันเป็นของปรุงแตง่งมันเป็นสังขารปรุงแตง่งมันยังเป็นฝ่ายปรุงแต่งอยู่ความไม่ปรุงแต่งมันจะไม่มีอาการอะไรเลยแม้แต่อาการรู้มันก็ไม่มีให้ปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมัน่นไอ้ตัวรู้เนี่ยว่าเป็นเร่ารู้ หรือผู้รู้เนี่ยเป็นตัวเราไปเสียแม้มันจะมีอยู่มีเหตุการรู้อยู่แต่ไม่มีผู้เสวยคือไม่มีผู้เสวยหมาถึงว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยก็จะไปยึดมันไว้ไตัวรู้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือเราเนี่ยตัวเราเป็นคนรู้ให้เห็นว่าไอ้รู้เนี่ยมันเป็นฝ่ายสังขารปรุงแต่งเป็นตัวปรุงแต่งมันเอาขันห้า ม, มาปรุงแต่งใจก็เลยไม่ไม่ไม่เข้าไปยึดมัน ว่าไอตัวรู้แต่มันก็มีอยู่แต่ไม่เข้าไปยึดมันว่ามันเป็นเราตัวเราเป็นของของเรามันแต่ต้องเห็นซะก่อนนะคําว่าละเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราไปจับซะก่อนแล้วเราปล่อยถึงเรียกว่าละละคือไม่เข้าไปเสวยไม่เข้าไปรองรับไม่เข้าไปให้ค่ายความสําคัญไม่เข้าไปยึดถือเรียกว่าละละห ร, หรือคือมันมันมันไม่มีผู้ไปจับเนี่ยเรียกว่าละหรือปล่อยหรือวางแล้วอันมันจะมี คำสอนที่มันเขียนไว้ในใต้ในรูปของหลวงปู่หลวงปู่ล่าเก็กบปตัตโตที่แพร่หลายที่บอกว่าผู้รู้ไม่ใช่นิพพานถ้าไม่หลงเอาผู้รู้เป็นเราเป็นตัวเราหรือตัวเราเป็นผู้รู้ก็ข้ามทะเลทุกข้ามทะเลหลงไปนานแล้วมบรู้ว่านิพพานไปนานแล้วนีไ่ไงผู้รู้ไม่ใช่นิพพานพนิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายคือไม่ อย่าไปหมายด้วยว่ามันคืออะไรถ้าไปหมายก็คือเสร็จเสร็จแล้วยึดแหละคือมันนิพพานเนี่ยมันหมายไม่ได้ว่าคืออะไรฉั้นผู้รู้เนี่ยไม่ใช่นิพพานนินพพานเนี่ยเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายคือไม่อาจจะหมายได้มันคืออะไอย่าไปหมายไว้ในใจให้หักทงซะไม่มีที่หมายว่าคืออะไรแล้วก็พาไม่ยึดเอาผู้รู้เนี่ยเป็นตัวเราหรือตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้ก็ข้ามทะเลหลงมารูุพรนิพพานไปหมดมแล้ว <ülme. S 2> นี่ที่ท่านเขียนว่า มันมันมีอยู่แต่ไม่ยึดไงเห็นว่ามันเป็นมันเป็นสังขารปรุงแต่งผู้รู้ไม่ใช่เป็นนิพพานแล้วก็ถ้ามายึดเอาป็นิพพานเป็นตัวเราไอ้ผู้รู้เป็นตัวเราหรือเราตัวเราเป็นผู้รู้ก็ข้ามทะเลลงกัหมดแล้วนิพพานหมดแล้วแต่ต้องเห็นตั้งก่อนว่ามีตัวผู้รู้อยู่แล้วเราก็จะไปยึดมันว่าเป็นตัวเราตัวตัวเราเป็นคนรู้ให้เห็นว่าเป็นสังขารนะเราไม่มีตัวเราไม่มีไอปรากฏตัว นั่นต่อให้มีรู้อยู่แต่ก็ไม่มีใครยึดมันเรียกว่าสินสส้นผููเวยสิ้นผิวรองรับหรือสิ้นผู้ยึดบ้านถือบ้ น, นก็จะเป็นรูปนิพพานอย่างที่หลวงปู่ท่านบา้านหมอจะคิดก็ได้จะตึกก็ได้จะตองก็ได้จะสงสัยจะรู้ก็ได้แต่หมอต้องเห็นว่าไอ้ตัวที่คิดตึกต้องตัวผู้รู้นั้นผู้พยายามพูดพยายามรู้ออไว้ผู้ที่รู้ไว้เนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเร า, ไ ม, เราไม่ใช่ตัวตนของเรา ถ้าเราคิดอย่างนั้นล้วคือประเด็นคือเราจะจะตัดมันได้ยังไงฮะตัวตัวนี้ของตาครับคือว่าอุบายที่จะตัดมันเด็ดออ้ยผมไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าการที่เราพิจารณาอันนี้ไม่มีความรู้นะครับขอภัยนะครับได้ได้เลยไม่มีความรู้ว่าอการที่เราพิจารณาว่าไม่มีอยากจะพิจารณาท่าอาุพ้าสังขารอะไรอย่างเงี้ยท่าแจ้ข้ามต่างๆจนถึงเมื่อคิดว่าอะไรทุกอย่างมันก็ไม่ดีนค่การคิดเนี่ยมันสามารถทําให้เรา ละนั่นได้จริงไหมับเป็นอุบายที่ทําให้ให้อ่อนโยนเฉยๆหรือว่าสามารถจะตัดตัดไออตัวรู้นี้ได้จริงคไม่ได้ไม่ได้แล้วเราจะตัดมันได้ยังไงไอตัวรู้เนี่ยไอตรงเนี้ครับเราจะตัดมันคือใจเราต้องไม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาทุกสังไม่เอาทุกกริยาการว่าเป็นตัวเราแม้แต่กริยาการรู้ก็ไม่เอาเป็นตัวเราแต่เราใช้ความคิดไปให้เข้าใจไม่ได้แต่ไม่เอาหมดทั้งหมดไม่เอาคือปล่อยวางทั้งหมดปล่อยวางสังขารทั้งหมดปล่อยวางทุกอย่างเลยอย่าไปคิดว่า มีตัวเราคืออย่าไปเอาตัวเราด้วยคือให้ปล่อยวางทั้งหมดเลยไม่ได้ไม่เอาอะไรเลยอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยวางหมด<ไ>ตอนนี้วิธีวิธีปฏิบัติยังหมอมาอย่างเนี้ยหมอก็ยอมเสียทียอมจละเวลามาในขนาดนี้แล้ววะตอนนี้เราต้องว่างงานแล้วว่างงานคือว่างจากร่างกายเนี้ยว่างจากงานที่ทํากินทํา ในกิจกรรมทุกวันตอนนี้ออกมาเป็นคนว่างงานอยู่ในช่วงนี้มาปฏิบัติว่างงานประเกมไหมใจว่างงานแล้วมาตอนนี้นับแต่วันนี้ใจไอ้กายกายว่างงานแล้วคือกายไม่ได้ไปทำงานอย่างที่งานประจำที่เคยทำแต่ใจต้องว่างงานด้วยไม่ใช่กายว่างงานอย่างเดียวนะมานี่ใจต้องว่างงานด้วยต้องให้ใจเนี่ยว่างงานด้วยใจว่างงานอะไรไง คือว่าจากงานดิ้นรนค้นหาทำไอไองานโลกเนี่ยจะมันจะอยู่แล้วจะต้องไม่ไม่กลับไปเอาม า, า, มาหมกมุ่นที่นี่เพราะาเราเราอุตสาห์เสียสละมาขนาดนี้แล้วให้กลายมันว่างงานแล้วใจเนี่ยนอกจากจะไม่ไม่ไปกลับไปคิดทั้งเรื่องเรื่องงานที่ทํามาทั้งโลกตอนนี้เหลือแต่ ง, งานถ้าเราทําอย่างเงี้ยเราตัดใจได้เงี้แล้วคือกายก็ไม่ทํางานทางโลกแล้วใจก็ตอนนี้เราเราออกมาเป็น มันเป็นผู้ปฏิบัติธรรมกายไม่ทํางานทางโลกใจก็จะอยากยากลับไปเชื่อเขาคิดทางโลกอีกให้มันว่างงานไว้อันนี้เข้าใจเนาะนี่วิธีปฏิบัติและที่เหลือสังเกตเอาว่าต้องว่างจากงานที่ทางธรรมด้วยงานทางธรรมเนี่ยคือมานี่ต้องหยุดที่จะดิ้นหล่นค้นหาธรรมหยุดเลยหยุดที่จะดิ้นหล่นค้นหาธรรมหยุดทุกอย่างเลย หยุดที่จะทํางานทางธรรมไม่งั้นตอนอยู่งานแห่งโลกก็ทํำใจงานโลกใจก็มุกไปโลกพอมาอยู่นี่กลายมาทํางานทางธรรมทำทำทำทำทำทำทำทำงานทางธรรมคือดิ้นรนค้นหาธรรมพยายามธรรมพยายามธรรมอะไรให้เป็นอะไรตอนนี้มันก็ไม่ว่างงานมันกลายเป็นว่ามาทํางานอีกแบบหนึ่งคือมาทํางานดิ้นรนค้นหาธรรมปวดหัวหนาเข้าไปอีก ทำอย่างไรท ำ, างงาทำอย่างนู้ําอย่างนี้ทาอย่างนั้นนี่อย่างที่หมอสงสัยสงสัยสงสัยน่ะก็คือว่ากําลังจะมาทํางานทางธรรมกาลังจะมาทํางานทางธรรมหมอว่างตรงนี้ไปเลยทั้งไม่คิดจะตอนเนี้เราเป็นผู้มาปฏิปทาบไม่ทํางานทางโลกและใจก็ไม่ทํางานทางธรรมเป็นผู้ว่างงานอ่ะเป็นผู้ว่างงานนะต้องให้เป็นผู้ว่างงานงจริงๆ ดังนั้นเราว่างงานไปแล้วเราไม่มีงานต้องไปคิดอะไรเวลามันมีขนาดที่เราว่างงานแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเรารู้สึกอยู่แล้วว่าเรานี่จะเป็นผู้ว่างงานแล้วใจเราไม่ได้เป็นผู้คิดอีกต่อไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เราว่างงานจะที่ต้องไปคิดวิเคราะห์อะไรทั้งหมดนับแต่เสี้ยววินาทีที่เราเนี่ยว่างอานว่างงานทั้งหมดแม้แต่งานว่างงานที่จะต้องคิดวิเคราะห์คิดวิจารณวิจัยที่หล่นค้นหาทำก็ว่างหมดแล้ว แสดงว่าณเซี่ยววันทีที่เราวางหมดเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ปรุงแต่งอะไรแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราวางหมดแล้วนี่เราตั้งใจจะวางหมดนะทำ ง, งานโลก ง, งานงานทำเราก็ไม่เป็นผู้ปรุงแต่งอะไรต่อไปนับแต่เซี่ยววันทีที่เราวางหมดเราไม่ได้พูดปรุงแต่งต่อไปนับแต่เซี่ยววันีนั้นถ้าในตัวเราเนี่ยมีใครปรุงแต่งอะไรขึ้นมามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรขึ้นมามีการสงแม้แต่จะพยายามไปสงสัยทำ แม้ต่พยานไปสงสัยทำตัวนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปไม่ทราเข้าใจไหมคือเมื่อเมื่อเราไม่เป็นผู้ที่ไม่ปรุงแต่งอะไรอีกแล้วงานทางธรรมเราก็ไม่ไม่ปรุงแต่งไม่ทําอะไรเราหยุดหมดแล้วแต่มันมีผู้ไม่หยุดหมอสังเกตนะแต่เราต้องหยุดก่อนนะตัวเราต้องหยุดก่อนเราต้องวางก่อนแต่มันมีตัวผู้ไม่หยุดมันจะมีตัวผู้ไม่หยุดคือตัวสงสัยอยู่ตัวพยามจะ จะทํางานทั้งทำตัวพยายามจะวิเคราะห์ตัวจะพยายามจะสงสัยแต่ตัวนั้นไม่ใช่ตัวเราแล้วเพราะเราวางไปแล้วแต่ไอ้ตัวที่กําลังสงสัยตัวนี้เพราะไม่ใช่ตัวเรามันจะเหมือนกับเรากับไอ้ตัวที่กําลังสงสัยเนี่ยเป็นคนละตัวกันเป็นคนตัวละตัวกันนั้นเราก็เลยเห็นอยู่ว่าไอ้ตัวที่สงสัยตัวที่กําลังวิเคราะห์เรื่องงานเรื่องการเรื่องเรื่องเรื่องงานทั้งทำเนี่ย ไม่ใช่ตัวเราต่อไปเพราะใจเราว่างงานแล้วถึงมันจะวิเคราะห์ไงจะสงสัยไงจะดิ้นรนยังไงจะพยายามรู้พยายามอะไรก็ตามไม่ใช่ตัวเราเราก็ได้แต่เป็นผู้รู้มันเป็นผู้รู้ไม่จะไปดูมันนะคือมันกับเราเนี่ยเป็นคนละตัวกันคือเราเป็นผู้วางงานไปแต่มันทางานไปแต่ไม่ใช่ตัวเราก็รู้กันอยู่อย่างนี้ว่าไอ้ตัวที่กําลังทํางานอยู่ไม่ใช่ตัวเราคนละตัวกันเราจะเหมือนเปรียบเหมือนว่าเป็นฝาแฝดติดกันเป็นฝาแฝดที่ต้องอยู่ด้วยกันคือ ต้องอยู่ด้กันจนถึงวันตายจึงเรียกว่าฝาเปลี่ยดของฝาแฝดแต่เราเนี่ยเป็นตัวผู้ไม่ไม่ไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏ อ, อ, อะไรเลยแต่ไอ้ฝาแฝดเราเนี่ยเป็นตัวปรากฏการทํางานตลอดอยังทางานติดอตองยังทางานเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดมันต้องคู่กันไปอย่างนี้เรียกว่าธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแต่เราเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งคือวิสังขารแต่มันจังเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งที่ยังต้องมีชีวิตอยู่ยังไม่ถึงแก่ความแตกดับไปด้วยกันอย่างเนี้ย แต่เราเห็นแล้วว่าไอ้ตัวที่มันเนี่ยปรุงแต่งไม่ใช่ตัวเราต่อไปเราเป็นตัวไม่ปรุงแต่งพราะเรากลายเป็นตัวไม่ปรุงแต่งเราจะมีความสุขสงบมากเลยไม่มีอะไรเลยเพราะเราว่างหมดแล้วเราว่างงานแล้วแต่ไอตัวที่ไม่ว่างงานไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวที่ขันหน้าที่มันยังต้องทํางานอยู่เพราะยังมาแตกดับไม่ได้แต่เราไม่เอาไอตัวขันหน้าที่มันุก็เป็นตัวเราแล้วเราก็แทบจะเดิน สบายเลยไปเลยอยู่พี่นความเป็นอยู่ที่สุขสบายเพราะว่าเราไม่ได้ปรุงแต่งระว่างงานไปแล้วเหมือนปลดเกษียณหมดแล้วแล้วปลดเกษียณหมดแล้วแต่ไอ้ตัวที่ขันหน้ามมันยังไม่แตกดับมันยังทํางานมันไปเหมือนกับหมอออกมานอกที่ทำงานแล้วหมอเปรียบเหมือนหมอปลดเกษียณออกมาแล้วแล้วหมอขันกลับเข้าไปดูแลเหเพื่อนหมอกับพนักงานในที่ทํางานยังทํางานกันง่วนหมดหมอก็ไปดูเมื่อก่อนเราก็ถุกแบบเนี้ยเรา วุนอยู่กับเขาเนี่ยเราก็ทุกแบบนี้เมื่อหมอปลดกเกษียณออกมาเนี่ยหมอกลับไปดูพราหมอเห็นว่าไอ้คนที่ทำงานกับหมอเป็ น, นไม่ใช่ตัวเดียวกันกต่อไปความรู้สึกหมอจะเปลี่ยนไปแบบเดียวกันเลยเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับที่ปลดกเกษียณออกมาหมอลองคิดดูทีบ่าถ้าหมอปลดกเกษียณออกมาจากการเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลสมมุติว่าลูกโตแล้วสามารถเข้ามารับกิจการแทนได้แล้ว แล้วหมอปลดกเกษียณออกมาจากงานบริหารโรงพยาบาลแล้วหมอลงคิดดูดีว่าหมอปลดกเกษียณลงแล้วหมอหันกลับไปดูเพื่อนหมอแล้วก็พนักงานที่ยังทํางานอยู่ความรู้สึกจะต่างกันไปกับระหว่างหมอที่ทํางานอยู่หมอที่ทำงานอยู่ห ม, ยหมอออกมาในยังเป็นผู้ในฐานะผู้ทํางานหมอก็ไม่มองเข้าไปก็ไม่รู้สึกแตกต่าง เพราะว่าหมอออกมาจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ทำงานอยู่หมอหมองเขาไปในที่ทำงานไม่รู้สึกแตกตา่างแต่ถ้าเมื่อไรหมอปวกระกเสียนออกมาจากที่ทำงานหมอหมองกลับเข้าไปในเครื่องงานหมอจะรู้สึกความทุกข์ของเขาเหล่านั้นเพราะเขายังต้องวุ่นๆุ่นวุ่นวุ่นุ่นวุ่ น, น, นแต่เราเนี่ยว่างแล้วเราเป็นผู้ว่างงานแต่คนเหล่านั้นยังต้องวุ่นวุ่นวุ่นอยู่แต่เราจบแล้ว แต่เขาสิยังไม่จบนั่นแหละในความรู้สึกว่าที่จิตมันวุ่นวุ่ น, น, นเนี่ยมันคือผู้ที่ทํางานแต่เราเนี่ยปลดกเกษียณจากงานแล้วปลดเกษียณทางใจเขาก็ทํางานเข้าไปเพราะว่าโรงงานนี้ยังไม่แตกดับไอจิตที่วุ่นวุ่นทำงานก็ทํางานไปแต่เราเหมือนกับเราหันกลับไปมองที่งานรเราปลดเกษียณออกมาเราหันกลับไปมองเพื่อนๆที่ทํางานเราก็ยังเห็นเขามีความทุกข มัเมือกับอย่างเงี้ยเหมืนอนลวงตาออกปรกอบเสี่ยนออกมาจากลาออกมาจากที่ทํางานลวงตามองเห็นทุกเพื่อนๆที่มาหาพวกมองกลับเข้าไปพวกที่มาหาลวงตาเพื่อนพยาบาลสาวพวกเจ้าที่โอ้เขาก็คิดเครียดกันมากวุ่นวายกันมากเพราะว่าอาจจะเรื่องเคเรคะะเคียดเรื่องครอบครัวน่ยจะเครียดเรื่องเรื่องงานการแต่เราพ้นจากสภาพนั้นมาหมดแนละ้วพ้นจากประกอบเสียนมาจากครอบครัวแล้วประกเสียนมาจากตาแหน่งหน้าที่การงานหมดแนละ้วเราสบายแนละ้วเราว่างแนละ้ว แต่เราเล่านั้นยังเป็นทุกข์มีเป็นทุกข์กับปัญหาของครอบครัวเป็นทุกข์กับปัญหาของงานแต่ตอนนี้เราสบายเราไม่มีปัญหาเราไม่มีตอนไันเราก็มองกลัเข้าไปเราก็มองเห็นเข้าไปบนภูเขาแต่นี่คือปกเสียนทางใจเราก็มองเห็นจิตใจยังปรุงแต่งเนี่ยคือจิตใจทำงานก้เป็นขันห้ามันเป็นจิตใจทำงานแต่เราปกเสียนแล้วเราไม่ทุกไม่ทำงานใจเราก็วางเปล่าลูกตามมหาบัวเขียนที่เก่าไว้ที่บอกว่า ใจเอากันเอาไปขึ้นเขเขียนว่าพันิพานคือจิตว่างงานแล้วโดนใจทัานมากเลยลโอใช่เลยใช่ใช่ใช่ใช่พันิพานคือจิตว่างงานนี่คือผนกระเสียนผกระเสียนทางใจใจมันก็เลยหมดภารตทางใจหมดทุกขนะ์แต่กลับหันไปมองดู ไ, ไอ้จิตที่กําลังทํางานอยู่ยังทํางานอยู่กันห้ายังทํางานในโรงงานเนี่ยจิตมั น, ย, ย, น, น, น, น ย, ยังคิดปรุงแต่งของมันไปแต่เลยเห็นนนั่นน่นะมันก็เป็นเรื่องทุกข์ของมันไปเพราะว่า มันยังต้องทํางานมันยังเต้อเน็ดเหนื่อยอยู่เหมือนกับเห็นมองกลับไปหาเพื่อนเเราที่ยังทํางานอยู่เราก็ยังเห็นเขาไปต้องทุกข์กับปัญหาครอบครัวงานของี่มันแต่เราว่างงานนะเราคนที่จะงทำงานอยู่มันก็ยังไปทุกข์อยู่แต่ถ้าเราตัวเราเป็นคนคิดตัวปรุงแต่งเราก็เป็นคนทํางานเราก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่ถ้าใจเราว่างงานแล้วแต่จิตเขาก็ยังปรุงแต่งอยู่แต่เราไป็นคนว่างงานจริงเราจะเดินผิวปากได้เลยหมอมาเขาจะเดินผิวปากได้เลย เพราะว่าเราปกติแล้วแต่จิตที่เขายังปรุงแต่งเขาก็เป็นตัวจิตที่ทํางานไปคนละเรื่องเราคือขันห้าไม่ใช่ตัวเราเราไม่ใช่ขันห้าอต่อไปแก่นี้เนี่ยความทุกข์ทั้งมวลก็พ้นไปจุดจากใจเลยด้วยอุบายแค่นี้นะจริงๆเราอาจจะมีอุบายอย่างอื่นก็ได้แต่อย่างเงี้ยในแง่มุมต่างๆแบบนี้แต่เมื่ อ, อใจที่มันว่างงานที่ปรุงแต่งเนี่ย มันเหมือนคนที่ปกเสียนทางกายมาแล้วปกเสียนทางใจด้วยโอมันมีความสุขจริงๆริกับคนที่ทํางานแล้วก็ยังต้องทํางานทางโลกต้องต้องทํางานของครอบครัวเขามีความทุกข์ทั้งในที่ทํางานมีความรู้สึกอยู่ที่ทํางานและยังมีความวุ่นวุ่นอยู่ในเรื่องครอบครัวเขาทุกข์ทั้งที่ทํางานและยังทุกข์ทั้งในครอบครัวเขาก็ยังวุ่นวุ่นอยู่แต่ลุงตาเนี่ยปกเสียนหมดแล้วลาออกมา ปลดออกมาแล้วใจยังมาวุ่นวุ่นุ่นดิ้นหล่นค้นหาทางพันธุ์ผ่านดิ้นหล่นค้นหาธรรมหลายปีก็ไม่พ้นทุกข์เพราะว่าออกมาแล้วไหนว่าจะสบายเอา้าหมดจะดิ้นหล่นเรื่องโลกแล้วมันดิ้นหล่นเรื่องธรรมไม่เห็นมันหยุดเลยเออตอนอยู่ในที่ทํางานใจก็ดิ้นหล่นทางโลกกูจะเอากูจะเอานั่นจะเอานี่จะเอาตําแหน่งราบยศจะเอาเงินจะเอาทรัพย์สิทเอาสังหาริมทรัพย์เอาเอาโน่นเอานี่นอนโอ้ย อยู่ในโลกก็จะเอาทั้งนั้นเนี่เอาจะเอาจะเอาพอออกมาจากงานไหนว่าเลิกแล้วออกมาลาออกจากที่ทํางานมาแล้วลาจากครอบครัวมาแล้วไหนว่าเลิกแล้วโอ้โหไว้ออกมาหมุนจีเลยจะเอาจะเอาจะเอาอะไรจะเอานิพพานจะเอาสุขทุกข์ไม่มีจะเอาจะเอาจะเอาจะเอาหมุนจีหนัค่อยเลยแต่เนี้ยพอว่างแล้วเนี่ยหมุนเลยไม่ต้องมีโลกประกันเลยแต่เนี้ยหมุนจีเลยจีจีจีจีจะเอานิพพานจะเอานิพพานจะเอานิพพาน โอ้โหทุกหนักมากเลยทุกหนักกว่าโลกอีกอ่ะเพราะว่ามันไม่มีงานทางโลกมามาแบ่งเลยแต่เนี้ยมันจะเอาแต่หมุนจีเลยอ่ะจะเอาจต่นิพานนิพานนิพานโอ้โหเมื่อเห็นเลยว่ามันไม่ได้ว่างงานนี่วันนี้มันไม่ได้ว่างมันไม่ได้ปลดเกษียณนี่ยไหนว่าปลดเกษียณในลาออกแล้วมันกลับมาทํางานทางธรรมเนี่ยหนักกว่าเดิมอีกดิหนักกว่างานทางโลกอีกหมุนจีจีจีเลยเออจึงเห็นว่า มันเป็นทุกข์มันใน้พนทุกข์กระถุ่งเนี้ยจึงวางงานทางธรรมไปอีกงานที่มันบุญจีนี้ไม่เอาแล้วเว้ยก็หมายว่าจะออกมาแล้วจะพ้นทุกข์นะแล้วทําไมมาหมุนมาทํางานทางธรรมเครียดอีกเหนื่อยอีกงนะก็เลยใจยมันก็เลยวางปลดกระเซ็นจากหมุนไปหาธรรมอีกพอใจมันวางจากการที่จ้องมุนไปหาธรรมวางที่จะเอาอะไรเออไม้ทําก็ แต่ที่จะเอามันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นกิเลสนี่ว่าจะเอาที่ผ่านจะเอาจะเอาจะเอามันก็เป็นกิเลสอยู่ดีเนี่ยอันไหนว่าสิ้นกิเลสจะสิ้นกิเลสเอ้ามาโผล่มาก็เป็นกิเลสทั้งทำอีกวางวางปกกรเสียนมันเลยสิ้นกิเลสวางกิเลสนะสิ้นกิเลสโลกสิ้นกิเลสทำมันเป็นกิเลสทั้งนั้นแหละถ้ายังมีกิเลสมิจะเอาได้นะบ่จะพ้นทุกข์มันไม่พ้นทุกข์ได้หรอกใจมันจริงต้องปลดกรเสียนไงปกกระเสียนทางใจไม่ใช่ปกกระเสียนทางกายใจเนี่ย ลอยปดออกมาแล้วแต่ใจไม่ปลดเกษียณไม่มีทางเหล่ามันดิ้นหมดเลยเนี่ยอย่างพระใหม่ใหม่ออกมาเนี่ยเห็นไหมอย่างพระใหม่ใหม่ออกมาเนี่ยลองดูสิใจมันก็ดิ้นไปหาโลกมันจะดิ้นทั้งธรรมอย่างเดียวในใ น, ในสองดิ้นเลยดิ้นไปหาโลกเลยดิ้นไปหาธรรมเลยใช่ไหมจินะเออนี่สองดิ้นเลยสองเด้งเลยเนี่ยทุกสองเด้งนะคือมาหมผ้าเหลืองพุกแต่ใจมันยังดิ้นไม่ได้ปลดเกษียณจากโลกออกมา ไม่ได้ออกไม่ปลดเสียงมันจริงใจมันดิ้นกลับไปหาโลกหางานที่ทําแล้วหาครอบครัวพอมีครอบครัวแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมั ด, ดิ้นจากอนิพานอีกโอ้โหเลยสองเดงเลยตอนนี้ยทุกสองเดงเรามองเห็ น, นมันต้องปอดกระเสียนทางใจคือออกมาแล้วก็ออกมาก็ปลกระเสียนทางใจแต่นี้เราเป็นฆราวาสเนี่ยเราก็ปลดกระเสียนทางใจ คือใจเนี่ยไม่ดิ้นไปทางโลกและใจก็ไม่ดิ้นไปทางธรรมไอ้ที่ทุกมันคือทุกเพราะใจมันดิ้นไปทางโลกดิ้นไปทางธรรมก็เห็นว่ามันไม่ใช่กายนะเพราะเนี่ยกายออกมาแล้วเนี่ยผมผ้าเหลืองเนี่ยแต่ตัวดิ้นมันไม่ใช่กายนี่ใจมันดิ้นเห็นไหมเพราะฉะั้นการปลดเกษียณคือมันปลดทางใจนะไม่ได้ปลดทางกายคือใจเนี่ยมันต้องว่างจากงานทางดิ้นกลับไปหาครอบครัวกลับไปหาโลกเรียกว่าปลดเกษียนออกมาจากงานที่ทํานี่ดิ้นกลับไปหางานที่ทําด้วยแล้วดิ้นกลับไปหาครอบครัวด้วยมาเลยดิ้น ด heaven, ิ้นไปทางโลกด้วยและที่สุดเรามาดิ้นทางนี้จะอนิพพานอีกด้วยการปกเสียเนี่ยคือมันปดทางใจไม่ให้ดิ้นไปหาทางโลกและไม่ดิ้นไปหาทางธรรมแล้วก็วางเรามาอยู่นี่จุดเสียสละมาแล้วเสียเสียการงานมาวางแล้วมาเราก็ต้องวางจริงๆไม่ให้ใจบันดิ้นไปหาทางโลกไม่ให้ใจบันดิ้นไปหาทางธรรมเราวางก็วางแล้วก็วางปล่าแค่นั้นเอง แต่งานทางโรงาบาลเขายังทําไปไอส่วนขันห้าเขาก็ทํางานทางจิตของเข้าไปเขายัางคิดนั้นคิดนี้เพราะาโรงงานไม่ดับไนงะแต่ใจเราว่างนะเพราะเราตรกเกษรทางใจเรียบร้อยแล้วใจเราก็ไม่แล่นไปหาโลกใจเราก็ไม่แล่นไปหาทรรนั่นเองวางก็วางตบมยืดอุบายอย่างนี้มัใครไม่วางไม่มีว่างรับรอง แต่จะเป็นพระออกมาถ้าไม่วางก็ไม่ว่างค า, วารวะออกมาปฏิบัติธรรมไม่วางก็ไม่ว่างไม่ว่างจะมาเอาจะเอาก็หมุนจีจี๋จี๋จี๋จีจีไม่มีหรอกไม่วางไม่มีใครวา่างพอให้หลวงพุทชอบทานลัทธิโมหิเทศเขาก็เลยบอกว่าให้หลวงพุทชอบฐานลัทธิโมหิเวทรกักษาให้กันที่ห ม, มนุนที่ใครเป็นเทศใครเทศเขาก็บอกว่าให้เทศทำสมาี่สั้นที่สุด บอกกท่านาหลวงพ่อเทิด ท, ที่สัน้นเอาเลยแบบโดนเลยอ่ะที่เป็นคำนี่โดนเลยอ่ะให้สั้นที่สุดโดนโดนอันขึ้นไปธรรมะเทิขอขึ้นปุ๊บวางแล้วก็ลงเลยวางแล้วก็ลงเลยนี่แน่นี่แน่คือธรรมะที่โดนที่สุดอะแล้วก็ลงเลวางปอวางใจเนี่ย ต้องวางใจจากทางโลกและวางใจจากการดินด้นแย่ธรรมดิ้นแย่วางก็จะว่างเลยพวกเรามาเนี่ยมาเพื่อวางหรือเปล่านะ่ะหรือมาเพื่อจะเอาถามตัวเองนะถ้ามาเพื่อจะเอาเนี่ยท่านไม่ได้วางท่านไม่ว่างอยู่โลกไว้ทางานโลกมาทางนี้ก็ทำงานทางธรรมเลยไม่ว่างไม่ว่างหมดเลยงานโลกก็ไม่ว่างงานทํามก็ไม่ว่าง ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้ก็เข้าใจเลยนี่นี่ไว้อันนี้วางเนี่ยวางทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ถูกไหมคะวางด้วยใจอืมวางด้วยใจอย่าไปที่เราวางงานที่ทําอ่ะค่ะวางงานที่ทํำทางทําด้วยวางงานที่ทำทางธรรมอวิชาและวิชาด้วยวางหมดอวางอย่างเดียว ไม่เกี่ยวประจิตจินยาตายอะไรเอยขันห้าเขายังไม่ตายเนี่ยเขาไม่แตกเขายังไม่แตกตามเหมือนโรงงานเนี้ยแต่เราปกตเสี่ยนทางใจมาแล้วแต่โรงงานทางใจมันยังไม่ดับนะขันห้าเนี่ยะแล้วก็เห็นมันอย่างนี้วิ่งาก็เห็นว่านี่เป็นโรงงานเขายังต้องทํางานอยู่แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราอีกต่อไปแล้วใช่เพราะใจมันวางขันห้าไม่ใช่เราเราไม่ใช่ขันห้าต่อไปแล้วหมดกันอ๋อไม่ใช่ใจง่ายใชไหน เออไม่ได้ขึ้นต้นไอ้ไม่ได้ขึ้นต้นอีกไม่ต้องขึ้นต้นแล้วเนาะเอาตรงนี้เลยอหมอได้ไหมมีคนเข้าใจได้จริงแล้นเนี่ยมันเข้าใจนะคะตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันวางแต่สาธุสาธไไไุไม่ไม่รู้ไม่รู้่าถูต้องไหมเราก็ต้องเกาะติดมันไปเรื่อยๆเอาไม่เออไม่เกาะติดได้พยายามเกาะติดก็ไม่วังก็ เกลัวว่าน อ, อ้อนี่แสดงไม่ว า, าไมวางถ้ากลัวว่าก็ไม่วางแหละอ๋อวางก็วางไปเลยอ่ะสาธุสาธุ